การล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็ดีนะอย่างน้อยก็ออได้ชี้ให้เห็นว่ามันสิ่งที่พบที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าหลวงพ่อบอกก็คือทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นคือเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็หมดไปมันหมดไปเนี่ยไม่ต้องถามใครเพราะว่ารู้ได้อยู่แล้วเพราะตอนนี้มันไม่มีเช่นเคยนั่งทาสมาธินะมันโล่งตัวเบาไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงแสดงว่าอนันตน์ดับไปแล้ว หรือว่าปฏิบัติแล้วรู้สึกมวนหัวตุ๊บเลยมันก็หมดไปแล้วดับไปแล้วหรือเคยนิวรนเล่นงานนะทั้งง่วงทั้งลังเลสงสัยทั้งพยาบาททาั้งอยากติดใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้คือนิวร์ทั้งห้าเนี่ยตอนนู้นเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีนี่เ็ดับไปเพราะนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นกฎตายตัวไม่ง่ายเลยสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา อ, อ, อกับนักมาตรการจ้ะค่ะพระอาจาร ย, าาา ย, ารย์สวัสดีค่ะท่านคือโยมจะเล่าสภาวะธรรมตอนนี้จ้ะค่ะพระอาจารย์คือโยมรู้แล้วจ้ะค่ะพระอาจารย์ว่าจิใตใกล้สํานึกลึ ก, ลกๆของโยมจริงๆว่าโยมกลัวอะไรโยมกลัวความมีอัตตาตัวตนเพราะเวลาที่จะขึ้นมาพูดมันก็จะคองรู้สึกว่า กลัวว่าการพูดเรายังไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าหากว่าเราขึ้นมาพูดก่อนกลัวว่ามันจะเกิดอัตาตัวตนแล้วก็หลงเข้าไปในความคิดว่าเราเก่งเรารู้แล้วก็เป็นทุกข์กับความมีอัตาตัวตนต ร, ตรงนี้จะ้ะค่ะพย า, าการเพราะคิดว่าอัตาตัวตนที่ทยมเคยมีเคยเป็น มันใหญ่มากแล้วมันก็ทำลายความดีงามของควรจะเป็นแล้วพนะ่ออาจารย์เออนะกลัวว่าจะเกิดคือถ้าขึ้นมาพูดกลัวว่าจะเกิดอัตราเนาะใช่ไหมโอเคนะกลายเป็นว่าเออพอจะพูดความรู้สึกว่าเออถ้าพูดเป็นการแสดงตัวเป็นการทำให้ปรากฏขึ้น มันก็อืมเป็นอัตตาแล้วพอกลัวอย่างนี้เสร็จมันเวียงไปทางไหนคือ <c oughs> <c oughs> เอาโอาเคเนาะถ้าถ้านั่นก็ก็โอเคนะ ก, กระไดแต่เราพอเข้าใจคือพอพอกลัวตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เวียงไปถ้างั้นเราไม่พูดดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดแล้วเรามีอัตตา <c oughs> พอ<ๆ>เวียงไปทางโน้นมันก็เกิดอัตตาตัวใหม่ขึ้นมาอีกเนาะอืมทีนี้ ไปความรู้สึกชนิดเนี้ยก็ไม่เป็นไรให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เข้าใจได้ด้วยปัญญาว่ามันก็คือเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่สังขารแล้วก็เกิดดับอัตตาจริงๆไม่มีแต่มันเป็นแค่ความคิดหรือความรู้สึกเท่านั้นเองมันรู้สึกได้นี่ว่ารู้สึกว่าเป็นอัตตาเห็นไหมก็เป็นแค่ความรู้สึกความรู้สึกนี้ก็คือสังขารเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างนะลรงนี้คนอื่นก็ลองฟังโดยดิว่าสมวราชโอ้ เราสมว่าเราเนี้ยนั่งคนดูในห้องเนาะพอคนไหนแสดงออกถึงการปฏิบัติธรรมหรือแสดงความรู้ปั๊บหลวงพ่อก็บอกว่าน่ยมันมีอัตตานีให้วางเสียทีนี้คนอื่นๆก็เลยไม่กล้าว่าโอ้อถ้าเราถามถ้าเราพูดเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกว่าเราเป็นอัตตาถ้าอย่างนั้นเราต้องเงียบดีกว่านึกออกแล้วยังเห็นไหมมันมีเราทั้งขาขึ้นขาล่องเลยแต่เราอันเนี้ยจริงๆก็คือ สังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่อัตราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้ารู้เท่าทันตรงเนี้ยจงรู้ว่าอันนี้เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางก็คือไม่ต้องทําอะไรคือแค่รู้ว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งคือเขาเรียกว่ารู้ถูกต้องไงเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะพอมันเหวี่ยงไปด้านโน้อนอะ่ะเวียงไปว่าเออถ้งางั้นเราไม่พูดพอไม่พูดแล้วก็ไม่รู้อีกว่าตรงนั้นเป็นอัตราตัวใหม่ขึ้นมา แล้วก็ถุดท้ายก็ต่อไปเป็นคนไม่กล้าเลยเพราะว่าจะพูดเมื่อไร่แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นอัตราทุกทีถ้างั้นเราเป็นผู้เฉยเราเป็นผู้เราไม่พูดจะได้ไม่เป็นอัตรานั่นแหละอัตราก็เต็มเป้าแล้วพรางั้นต้องรู้เท่าทันจ ร, จริงไม่มีนะเออนะคะผาการพอเมื่อกี้นะที่พอจะเริ่มพูดมันก็จะมีอาการอีกอาการหนึ่งซ<อ>้อนทับขึ้นมาคือการกดข่ม กดข่มอารมณ์ไว้เพื่อที่จะไม่ให้พูดมันซ้อนกันนะเจ้าคะ่ะอีกสภาพมันเหมือนอยากจะพูดอีกสภาวะหนึ่งมันจะกดข่มเอาไว้ไม่ให้พูดเพราะเหมือนกับถ้าพูดออกไปแล้วมันจะมีความเป็นตัวเป็น ต, น, ตนขึ้นมาเจ้าคะ่ะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มันอยู่เหนือก็คือมันรู้ทุกอย่างเช่นมีการกดมันก็รู้ใช่ไหมไอ้ตัวพยายามที่จะกดเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกัน เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้รู้ทั่วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ที่ได้แต่รู้ได้แต่เห็นเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเราพ้นจากความปรุงแต่งซึ่งมีอยู่แล้วธรรมชาตินั้นนะเนาะคนไหน ท, ที่ที่ติดตามหลวงพ่อเนี่ยคุยง่ายและเพราะว่าเขามันเหมือนกับว่าเข้าใจกันแล้วแต่บางทีพอหลงลืมบ้างเนี่ยพอฟังคําพอฟังสักหนึ่งคำสองคำเนี่ยเขาจะจะหลุดเลยจะเข้าใจอย่างอย่างง่ายมากเลย แต่ทีนี้อย่างหลวงพ่อเปิดคลับเนอะอย่างว่าก็คนใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมันก็อาจจะฟังยากสักหน่อย เ, ยเหมือนกับว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอแต่ถ้าฟังบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างของของโยมบัสอย่างเนี้ยแล้วเราก็ลองไปน้อมใส่ใจว่าเราเป็นอย่างเขาไหมถ้าเป็นอย่างเขาก็ทําให้รู้จักเราคือรู้จักเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอ๋อไอตัวนี้ไม่ก่อยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเห็นไหมนี่ก็คือเกิดปัญญาแล้ว แล้วพอต่อไปเวลาใครส่งการบ้านใครส่งเล่าประสบการณ์แล้วหลวงพ่อก็ชี้บอกแล้วเราก็น้อมใส่ตัวก็จะพบว่าอ๋อไอแบบนี้ก็มีแต่ไม่เคยเห็นเห็นไหมมันก็จะรับรู้รับทราบว่าบางสิ่งบางอย่างไม่เคยพบไม่เคยเห็นการเห็นแบบนี้มันก็ทําให้เกิดการรู้แจง้งรู้แจ้งมากขึ้นประมาณนั้นความเป็นตัวเราเนี่ยความเป็นตัวตนเนี่ยคือโอเคหลักการเนี่ยมันไม่มี แต่ด้วยความไม่คือไม่ไม่ไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแต่ไม่รู้ว่ายึดไงพอไม่รู้ว่ายึดนั่นแหละมันเป็นอัตราไปเรียบร้อยแล้วเช่นเช่นนะสมมติว่าเรื่องความรู้เนี่ยความรู้จากการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนาะคนที่มีประสบการณ์มากเนี่ยได้เรียนได้ปฏิบัติเนี่ยแน่นอนนี่ต้องได้ความรู้มาความรู้ในเรื่องทางธรรมะเช่นรู้ในเรื่องของจิต รู้ในเรื่องของสมาธิรู้ในเรื่องของปัญญาหรือรู้ในเรื่องของใจรักเนี่ยแน่นอนต้องมีความรู้แต่ถ้านะถ้าไปยึดความรู้มันก็เป็ น, เ ป, นเป็นตัวตนคือเป็นอัตตาขึ้นมาคือเป็นเรารู้ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ยึดมันก็มีแต่ความรู้นะเพราะไปแสวงหามันก็ได้ความรู้แต่ความรู้อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรู้ของเรามันเป็นความรู้ที่ ได้มาเพราะไปทำเหตุมาเพราะนั้นถ้ารู้ทันว่าเออความรู้ได้มาก็ได้มาเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่มันไม่ใช่เราแต่ทีนี้ด้วยความไม่รู้ตรงนี้ก็เลยหลงไงหลงยึดรู้ว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราทีนี้ถ้าไม่มีคนมาบอกไม่มีคนมาแก้ให้เนี่ยมันก็ยึดจนกว่าจะตายตายแล้วก็ยึดเป็นพบเป็นชาติอีกก็ไปเวียนเกิดเวียนตายอีกก็ยึดไม่จบไม่สิน้น เพราะนั้นธรรมะของพระ เ, เจ้าเนี่ยคือปล่อยวางแต่การจะปล่อยวางได้เนี่ยต้องรู้ว่าสิ่งที่จะปล่อยวางมันคืออะไรต้องเห็นมันก่อนต้องรู้มันก่อนถึงจะปล่อยวางได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็จะปล่อยวางอะไรล่นะเนาะมันก็ปล่อยวางไม่ถูกตัวเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะฝึกให้รู้ให้เห็นที่มันปรากฏในลักษณะที่มีพฤติกรรมเป็นตัวเราอะอย่างเมื่อกี้ถ้าหลวงพ่อจะ จัชี้บอกนะเออเดี๋ยวพรนี้เราเจ็บเนิดนึงก่อนอันนี้เป็นเคสตัวอย่างอย่างที่หลวงพ่อเล่าประสบการณ์เรื่องเมื่อกี้เนี่ยเรื่องการขับรถเนี่ยแล้วไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยถ้าไม่เห็นนะไม่เห็นก็คือว่าไม่เห็นความปรุงแต่งไม่เห็นว่ามีมีภาษาสมมติกันไม่เห็นว่าตัวเราเป็นคนเล่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ย เป็นผู้ไปพบไปเห็นเรื่องนั้นมาแล้วมันก็เป็นตัวตนเนาะแต่ถ้ารู้ถ้าเห็นก็จะรู้เลยว่าไอาาาา้ตัวที่เล่าเนี่ยมันก็เป็นสังขารตัวที่เล่าคือตัวหลวงพ่อเนี่ยเป็นสังขารเป็นตัวตายเหมือนกันก็เล่าไปเหอะถือว่ามันก็เป็นสังขารมาปรุงแต่งเพราะว่าเนี่ยที่อยู่กันตรงนี้เนี่ยเขาใช้สังขารเนาะมาพูดมาคุยกันแต่ก็เข้าใจได้ว่าไอ้ที่เล่าเนี่ยก็คือสังขารเป็นตัวตายก็เล่าไปเหอพอเล่าไปเสร็จมันก็เข้าใจได้เนี่ยว่ายิ่งเล่าเท่าไหร่มันก็เป็นสังขารปรุงแต่งหมดเอ ก็เลยทําให้เขาเรียกว่าเห็นเมื่อเห็นแล้วก็คือไม่ยึดถือเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าไอตัวผู้เล่าก็คือตัวตายตัวเป็นเน่าเปื่อยผุพังเนาะเป็นสังขารปุ่เกิดดับก็แค่รู้ว่าเออให้มันเล่าไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เห็นไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเองเล่าไปแล้วก็เล่าไปเรื่อยแต่ไม่เห็นตัวเองผู้เล่าอย่างเนี้ยมันก็เข้าไปเป็นตัวได้คือเป็นตัวเราเป็นผู้เล่าเพราะฉะนั้นจึงสําคัญมากจะละวางสิ่งใด จะต้องรู้ต้องเห็นเสียก่อนจึงวางสิ่งนั้นได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาวางเพราะไม่รู้เพราะนั้นต้องรู้แล้วก็รู้แล้วก็ทิ้งอ่ะรู้แล้วก็วางเราก็เคยได้ยินเนาะเขาบอกว่ารู้สิ่งใดก็วางหมดเห็นสิ่งใดก็วางหมดก็คือวางในที่นี้คือไม่ยึดถือแต่สิ่งนั้นก็มีอยู่แล้วมันก็เสื่อมดับไปด้วยตัวมันเองอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความปล่อยวางแล้วก็หลุดพ้นไปอธิพรจนไหมอธิพร ก็ อ, อ่านชื่อถูกไหมวันนี้หลวงพ่อคุยกี่รอบเนี่ยตั้งแต่รอบสิบโมงเนาะรอบบ่ายสองสามรอบนะเนี่ยวันเนี้ยจะถึงสี่ทุ่มอีกหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ก็แล้วแต่ <c oughs> เออก็นี่แหละมาคุยกันเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนี่แหละอืมรู้สึกตัวค่ะคือไม่ได้เป็นคําถามหรอกแค่บอกเฉยๆแค่แค่แคสะท้อนเฉยๆว่า อ้อย่างจิตเห็นจิตเนี่ยที่หลวงฟูดุลพูดอะค่ะจิตที่เห็นจิตตัวจิตที่เห็นจิตอะมันใช่ใจที่คือภาษาของหลวงพ่อถูกไหมคะอันนี้แค่ถามเฉยจิตที่เห็นจิตก็เป็นเดี๋ยวจะถามอะไรนะจะอะไรนะคือคือหลวงพ่อก็เคยเคยได้อ่านได้ความเออใช่ใถ้าจะยกตัวอย่างนะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติว่า คือจิตเนี่ยมันจะมีจิตปรุงแต่งใช่ไหมเออจิตปรุงแต่งคือจิตจิตคิดอ่ะจิตปรุงแต่งคือจิตคิดหรือกลุ่มของเจตสิกอ่ะคือพวกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพวกนี้จัดเป็นเป็นจิตหมดเลยนะเออแต่จิตตัวที่มันมันไร้กาศที่สุดเนี่ยก็คือมันจะเป็นเป็นจิตคิดที่มันปรุงแต่งได้แล้วก็ถ้าไม่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยจิตเนี้ยมันก็จะพาพาหลงแล้วก็อีกอันหนึ่งจิตที่ละเอียดมากที่สุดก็คือวิญญาณ อันนี้ก็จิตเหมือนกันจิตศาสตร์เออทีนี้จิตสใช่ทีนี้จิตเห็นจิตเนี่ยถ้าตามที่หลวงพ่อเข้าใจนะหมายความว่ามันมีจิตรู้จิตรู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งเป็นจิตที่เอที่พ้นจากความปรุงแต่งเนี่ยมารู้คืออถึงมารู้ถึงจิตที่ไม่ปรุงแต่งเออมารู้ที่จิตปรุงแต่งเอออหลวงพ่อเรียกจิตที่ไม่ปรุงแต่งอะว่าใจถูกไหมคะ บางทีใช่ใช่บางทีสมมุติเรียกว่าใจก็ได้แต่ใจตรงนี้ไม่ใช่ใจที่เป็นอายตนะภายในเนาะแต่ว่าเวลาสื่อภาษาบางทีเนี่ยเขาก็เออก็เรียกว่าใจก็ได้ให้มันตกลงตรงกันเนาะเออบางทีเรียกว่าจิตก็ได้แต่เป็นจิตเป็นจิตเป็นจิตประเภทจิตเดิมแท้จิตไม่ปรุงแต่งอะจิตก่อนเกิดอะจิตที่ไม่็าาาาาตก้กคะ่ววิญญ ณ, <laughs> ญญ ณ, ณจใชํ หรือบางทีใช้คําว่านิพพานธาตุก็ได้เพราะทำไมเรียกนิพพานธาตุเพราะว่าเป็นธาตุที่พ้นไปจากความปรุงแต่งนั่นเองคือเป็นธาตุที่พ้นจากทุกข์จากสุขจากความปรุงแต่งนั่นเองก็เป็นเป็นธาตุอย่างหนึ่งทีนี้ตรงนี้แหละมันปฏิบัติคือให้เข้าถึงจิตที่ที่จิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมจิตแต่ที่ว่าเนี่ยพราะมันเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งส่วนจิตที่เป็นวิญญาณนัขันก็ดีจิตที่เป็นความคิดที่เป็น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยคือเป็นจิตปรุงแต่งซึ่งเกิดดับเออเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้จักหลวงพ่อเนี่ยได้ความรู้เรื่องของวิญญาณเนี่ยคือครูอาจารย์เนี่ยนะท่านก็เก่งในการที่จะจะบอกจะสอนน่ะนะท่านบอกว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณขันเนี่ยที่มันรับรู้ทางหูทางตาทางแ ก, มก้มอกทางลิ้นทางกายเนี่ยนะมันจะทํางานร่วม ก, กันกับตัวอื่นๆก็คื อ, ค, อคือทำงานร่วมกับเจตสิกกันแหละ เจตสิก <Okay. S 1> ก็คือเวทา น, <Okay. S 1> นาสัญญาสังขารเนี่ยสามสาม <Okay. S 1> ตัวเนี่ยนะอันนี้ค <Okay. S 1> ือเจตสิกแล้วก็วิญญาณเป็นตัวจิตเวลามัน <Okay. S 1> ทํางานเนี่ยมันทํางานร่วมกันเร็วมากเลยนะทีนี้ครูบาอาจารย์ให้การที่จะดูวิญญาณเนี่ยไม่ยากหรอกเหมือนกับว่าท่านบอกว่าเวลารู้อะไรอะแล้วมันจะพูดจะภาคจะบน่นมันจะทํางานคู่กันพอเห็นอะไรมันมันพูดเลยมันคิดในใจอะประมาณเนี้ยเช่นเช่นนะ <Okay. S 1> สมมติว่าตาไปตาไปเห็น สมมตตาไปเห็นจริงจกอ่าสมมติเนี่ยพอดี <ฮะ S 1> จริงจบพอดีอันนี้ถ้าเกิดว่าวิญญาณทางตาเกิดแล้วแล้วมันก็เริ่มทํางานเลยว่าไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก็คือสัญญาใช่ไหมอ่าจำได้ว่าจริง <ฮะ S 1> จบแล้วก็พอจําได้เสร็จแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเวทนาขึ้นมาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยน ะ, <ฮ>ะแล้วขณะนั้นเนี่ยมันก็จะบอกกําชับขึ้นมาอีกเพียงว่าจริงจกไอ้คําว่าจริงจกเนี่ยมันเป็นความคิด เป็นความคิดปรุงแต่งคือบอกชื่อไปเลยว่าจิ้งจบเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยพอมันเกิดวิญญาณปับ๊บมันจะทํางานร่วมกันเลยพรึบเดียวเพราะฉะนั้นวิธีรู้วิญญาณก็บอกว่าท่านบอกว่าเมื่อเอเอเวลาท่านบอกว่าการดูการดูจิตเนี่ยดูจิตก็คือดูเนี่ยดูทั้งหมดเลยมันดูความคิดก็ได้ที่มันพูดมันภาคมันคิดเนี่ยเท่ากับว่าดูจิตแล้วหรือดูเวทนาก็ได้แต่ไอาตัวที่ดูให้ถูกตัวจริ ง, รงๆคือให้ดูความคิด เพราะว่าเวทนาเนี่ยพอมันเวทนาพอปรากฏปั๊บเนียไอ้ตัวความคิดเดี๋ยวพอเวทนาเกิดขึ้นปั๊บไอ้ตัวจิตมันก็มารู้เวทนาพอรู้เวทนาไอ้ตัวคิดก็ทั้งไอ้ตัวจําได้ก็จําได้ว่านี่คือความเจ็บแล้วไอ้ตัวความคิดก็บอกไอ้เจ็บจังเลยอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นความคิดเนี่ยเท่ากับว่าเห็นเห็นจิตทีนี้ชูดหลวงหลวงปู่ดุลเนี่ยก็คือทว่าการให้เจาะจงให้วงแบบชัดเจนนะก็คือเห็นจิตคิดนั่นแหละ จิตจิตคือมันมีจิตจิตรู้ที่เป็นธรรมธาตุเป็นเป็นธาตุรู้เนี่ยมาเห็นจิตคิดแล้วก็รู้ว่าไอจิตจิตคิดกับจิตรู้เนี่ยมันเป็นคนละจิตกันจิตคิดเป็นจิตปรุงแต่งแต่จิตรู้เนี่ยที่ไม่ใช่วิญญาณขันคือมันพ้นจากวิญญาณขันนะมันเป็นเป็นธาตุนะไอเนี้ยไม่ปรุงแต่งอพอรู้จักจิตไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยแล้วไอโนจิตปรุงแต่งก็เลยรู้รู้ความปรุงแต่งแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือเพราะเป็นรู้ที่หลุดพ้น เพราะฉะนั้นจึงหลุดพ้นจากจากจิตคิดเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนนะท่านบอกให้เห็นจนะิตค<า>ิดน่ะก็ อ, อันเดียวกันแหละค่ะเออประมาณแค่แค่นี้เนไม่ไม่มีไม่มีอะไรละค่ะแค่ะทีนี้ภาคปฏิบัตินะภาคอันนี้นี่เราคุยทั่วไปเลยนะภาคปฏิบัติเน่ะยมเห็นไหมเวลายมถามปัญหาเนี่ยเวลาถามปัญหานี่มันเกิดจากจิตเลยนะกว่าจะพูดได้เนี่ย <c> คือมันไปไปพบคือจิตวิญญาณเนี่ยไม่รู้มันไปพบอะไรมา พอจิตวิญญาณไปพบเสร็จแล้วมันก็มีมีปรุงมีแต่งเนาะทำงานร่วมกันเลยแล้วก็ถ้ามันคิดภายในใจเนี่ยมันก็ไม่ได้คือไม่สามารถที่จะถามให้คนอื่นรู้ได้ว่าถามอะไรก็เลยพูดออกมาจากปากออปากเป็นตัวเป็นตัวถามแต่จริงๆะลึกๆนาะมันออกมาจากจากจิตจับใจหมดเลยนะทีนี้ถ้าคนไม่เห็นความคิดเนี่ยมันก็ถ้าไม่เห็นความคิดมันก็ถามแหลกคิดอะไรก็ถามเลย แต่ถ้ามีสติมันเห็นจิตเสียก่อนว่า อ, อ๋อมีจิตคิดแล้วก็มันรู้ทันพอรู้ทันเสร็จแล้วตัวสติจะเป็นตัวกันกรองว่าควรถามหรือไม่ควรถามตัวสตินี่เนาะที่ฝึกไว้เนี่ยมันก็รู้ทันจิตก็เลยไม่ทำตามตามจิตคิดทุกเรื่องอาจจะทําตามที่เห็นสมควรนะก็เลยถึงได้เออเขาเรียกว่าคิดยังไงแล้วก็ค่อยทำเอาโดยมีสติเป็นผู้กํากับออควบคุมเพื่อไม่ให้ผิดพลาดอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันออกมาจากจิตทั้งหมดเลย จิตพิษก็ออกมาจากนี่ถ้าพูดได้ลึกอีกนะไอจิตที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะที่หลวงปู่ดูลนะที่บอกว่าจิตเห็นจิตอ่ะไอจิตไอจิตตัวแรกเนี่ยไอจิตเนี้ยเป็นจิตที่เรียกว่าทีเรียกว่าพุทธะก็ดีนะอันนี้มันเป็นความว่างเป็นความว่างคือเป็นจิตเดิมแท้ที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่เขาตั้งชื่อว่าจิตเพราะว่าต้องตั้งชื่อแบบสมมุติแต่โดยโดยเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มีความรู้อย่างเดียว แล้วก็พออะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดในจิตนั่นแหละความคิดก็เกิดในจิตหมายถึงว่าเกิดในความว่างเนาะแล้วก็ความทุกข์ก็เกิดในความว่างความสุขก็เกิดในความว่างการรับรู้อะไรต่างๆก็เกิดในความว่างแต่ทุกอย่างที่เกิดเนี่ยต้องดับหมดมันมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นนะมันเกิดในจิตมันก็ต้องดับในจิตแต่จิตที่เป็นจิตพุทธะเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏไม่มีการเกิดไม่มีการดับ จิตอันเนี้ยจึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่พระพุทธเจ้าไปพบมาว่าไอ้ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติจริงๆแท้ก็คือจิตนี้แหละแต่อย่างอื่นไม่บริสุทธิ์เพราะว่ายัางเกิดดับได้ยังปรุงแต่งได้ก็เป็นของปลอมเป็นของเทียมไปแล้วก็ตรงนี้ก็เกิดปัญญาที่เข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าไอ้การพ้นทุกเนี่ยก็คือพ้นทุกที่จิตหมายถึงว่าพ้นทุก์ที่จิตก็คือไอจ้จิตจิตรู้นี่แหละไอ้จิตพุทธะนี่แหละเป็นตัวพ้นเสียเองนะส่วนอื่นๆก็เกิดดับ เป็นวนๆอยู่อย่างเนี้ยถ้ายังยังขันห้ายังมีอยู่มันก็ยังเกิดดับเกิดดับแต่จิตพุทธะเนี่ยเป็นจิตที่ขันห้าแตกดับแต่จิตนั้นไม่ไม่แตกไม่ดับด้วยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันไม่เป็นความไม่มีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแตกไม่รู้จะเอาอะไรมาดับก็เลยเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมเลยก็หลุดพน้นคือไม่ต้องไม่ต้องมาหลงผิดมาเกิดมาหลงยึดอะไรอีกเพราะว่าพบแล้วไงว่าอันนี้จิตเนี่ยเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้ว ความบริสุทธิ์ก็เลยไม่ต้องมาผสมปนเปอะไรอีกก็จบในชาติสุดท้ายที่มีขันห้าเนี้ยประมาณอย่างนี้ตรงนี้มันเข้าใจยากแต่ว่าหลวงพ่อเคยอธิบายในห้องครับนี่แหละแต่ว่าก็คนที่เคยฟังหลวงพ่อมาเขาก็เข้าใจแต่คนใหม่งงเปนไก่ตาแตกพูดเรื่องอะไรว่าไม่รู้เรื่องเลยก็ค่อยๆฟังไป <laughs> แต่การฟังอย่างเดียวมันไม่ทําให้เกิดปัญญามันต้องเห็นของจริงไงเช่นมาพูดถึงเรื่องยกตัวอย่างความโกรธใช่ไหมละ่ะถามเลยว่าความโกรธเกิดที่ไหน ทุกคนก็บอกว่าก็เกิดที่จิตไงแล้วความสุขเกิดที่ไหนเกิดที่จิตไงแล้วเวลามันดับมันดับที่ไหนก็มันดับที่เกิดนั่นแหละเกิดในจิตก็ต้องดับในจิตอ่าโอเคแสดงว่ารู้จักความเกิดดับแล้วแต่ทีนี้จิตรู้จักแล้วยังพอถามเรื่องจิตปั๊บงงเลยทีเนี้ยเออวะมันเป็นที่เกิดที่ดับเนาะของสิ่งพวกนี้แล้วจิตจิตที่มันมันไม่ปรากฏตัวแล้วมันอยู่ยังไงอ่ะเอา้าก็มันไม่ปรากฏไงมันก็เป็นว่างๆนั่นแหละว่างแบบชนิดที่ไม่มีอะไรเลย ถ้ามีก็มีสิ่งเกิดสิ่งดับในมันนั่นแหละอย่างนี้ถ้ามีปัญญาก็จะพอเข้าใจได้ว่าอ๋อถึงจิตพุทธะมองไม่เห็นก็จริงแต่ก็พอพอจะรู้จักได้เพราะรู้จักไอสิ่งที่เกิดที่ดับเลยรู้ว่าไอสิ่งที่เกิดที่ดับมันผุดนะมันผุดมาจากที่ว่างนั่นเองว่างอันนั้นก็คือจิตจิตพุทธะนั่นแหละหรือว่าจิตเดิมแท้นั่นแหละเพราะนั้นจิตเดิมแท้ก็ไม่ต้องหาที่ไหนหรอกมันเป็นความว่างที่มีอยู่ใน ในเนื้อในหนังในตัวเนี่ยแต่ไม่รู้มันตําแหน่งมันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่แล้วพอขันห้าแตกดับปั๊บไอ้นี่ก็คืนธรรมชาติก็คือเข้าสู่ความว่างที่อยู่นอกตัวจริงอ่ะความว่างของจิตนี้นะมันเป็นสิ่งเดียวกับความว่างที่อยู่นอกตัวเป็นสิ่งเดียวกันแต่คนอ่ะมองว่าเหมือนกับว่ามันอยู่ภายในตัวเพราะมันเอาขันห้ามามาแบ่งแยกไงเอาตัวไอไอตัวเนี้ยเป็นตัวไอตัวเอา ว, วิชาหรือตัวอะไรไม่รู้ ry, แหละมาแบ่งแยกแต่จริงอ่ะไอจิตอันเนี้ย ที่อยู่ในในตัวเนี่ยแต่มันไม่ปรากฏตัวกับจิตกับความว่างที่อยู่นอกตัวคือสิ่งเดียวกันเหมือนกับน้ําอะน้ําที่มันอยู่ตามหนองคลองบึงแล้วแต่พอพอมันไหลลงไปในมหาสมุทรก็คือเป็นน้ําอันเดียวกันเพราะฉะนั้นรวมความน้ําที่อยู่ที่ไหนมันก็คือเป็นน้าอหละมันไม่ได้แบ่งแยกออกที่แบ่งแยกเพราะว่าคนเขาไปสมมติขึ้นมาแต่น้ําจริงๆมันก็คือน้ํามันก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลย ฟังยากตรงนี้ฟังยากเอาละรู้สึกตัวปัจจุบันนี่แหละแล้วก็รู้ว่าตัวเนี่ยมันยึดไม่ได้ตัวเป็นเป็นขัน่ายึดถือไม่ได้ก็เพียงแต่รู้ว่าเออมันเกิดแล้วก็ดับไปน ะ, น บ, ะบางทีหลวงพ่อก็พูดรวัวรวัวัวฟังไม่ทันก็ฟังหลายรอบเดี๋ยว ก, ก็เข้าใจเองกนะันเนาะเข้าใจเข้าใจถ้าขอบคุณมากค่ะ